ถุกวันนี้เราพระเราถูกตีเรื่องระเบียบวินัยถูกตีเรื่องหลายๆเรื่องเรื่องลาภสัจจะเรื่องเงินเรื่องความอวดดื้อถือดีเรื่องมีตัวตนอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เขามีจุดโวโจมตีเราและเราก็ช่วยกันเป็นชาวคุทธสำหรับเรื่องวันนี้ที่จะให้เอาไปทดสอบนะครับทดสอบวันนี้เป็นภาคปฏิบัติพรุ่งนี้ก็บันทึกออกมา ว่าที่บทเรียนที่ปฏิบัติวันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สรุปเป็นผลออกมาบันทึกผรุนี้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเป็นวันๆไปนอกจากได้ผลกับตัวเองแล้วต่อไปเราจะไปใช้กับคนอื่นแล้วก็จะทำระบบเป็นระเบียบถึงโลกในยุคต่อไปเราจะทำอะไรแบบตามใจฉันหรือมั่วๆไม่ได้ต้องมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผล มีระบบระเบียบที่ที่สัมผัสได้นะงนั้นเราก็ฝึกไปเรื่อยๆชองช้าๆเหมือนกันการออกกลังกายก็มาให้พร้อมกันดูตีสี่เราทุกคนต้องมือถึงพร้อมที่นี่ไม่ใช่ลอยรอให้ตีห้าเพื่อนออกําลังกายแล้วค่อยมาอันนี้ก็ไม่ถูกเรานัดกันตีสี 4. ก็ต้องมาให้ครบจะทำได้มาก น, น้อยก็ขอให้ทำทั้ง น, นี้เพื่อประโยชน์แกตัวเราเองนะ ต่อไปเราอาจจะไปช่วยคนของเราญ <c oughs> าติพี่น้องคนที่อ่อนแอหรือคนที่เราเพื่อนฝูงที่อ่อนแอแล้วก็มีวิชาให้เขาแต่เราฝึกไปก่อนฝึกมากฝึกน้อยขอให้ฝึกเพราะเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับร่างกายและจิตใจของเราถ้าผมไม่ทำเรื่องนี้ปนี้ผมก็ตายไปแล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนอนป่วยหลายครั้ง แต่ที่ทำเรื่องนี้มาผมทํางานได้ทั้งปีแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยนะก็อยากจะให้เพื่อนของเราได้เป็นอย่างนั้นบ้างก็ไม่ยากนะทาอย่างที่เราทำนะนะั่นแหละนอกนั้นการสวดมนต์ก็ต้องสวดให้เสียงขึ้นขังไม่ให้เสียงออแอลแอไปดูมันไม่ไม่มีพลังนะการสวดทำให้เสียงเต็มเสียงเสียงกล่ําเสียงควบกล่ําเสียงสั้นเสียงยาวให้มันถูกมันก็จะ ให้มีพลังให้มีสมาธิฝึกสมาธิไปในตัวในขณะที่เราสวดมนต์ถ้าไม่มีฝึกสมาธิไม่ฝึกอนาปานาสติไปด้วยมันก็เหนื่อยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยเปล่านะแต่เราฝึกทั้งสมาธิฝึกอนาปานัสติไปด้วยก็จะได้พลังทั้งสติทั้งสมาธิได้ความพร้องเพยงได้ความไพเราะอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เป็น แบบอย่างที่ชักจุงศรัทธาได้เราจะไม่มองข้ามในสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆนะเราจะให้ความสำคัญเสมอเราจะไม่ทำอะไรที่เสียประโยชน์ทั้งสองด้านประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์กับผู้อื่นก็ไม่ได้มันก็เสียเวลาด้วยนะจะทำไปแล้วประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ก็จะทำให้เวลานั้นมีคุณค่านะครับ ในสิ่งใดที่เราเป็นทําเป็นประจําต้องทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปทําแล้วมันมีแม้จะทําคนเดียวทําวัดคนเดียวก็ทําให้เต็มเสียงนะแล้วก็ฝึกเพื่อการฝึกฝนเพื่อให้เราดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนเนมันมีอะไรไ ม, ไม่ไม่ค่อยดีขึ้นนะอย่างคนทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นนักมวยได้คนนั้นต้องฝึกฝนหนักถึงเป็นนักมวยได้ทั้งที่อ่า หน้าตาขาแขนกำลังก็มีเหมือนกันนะ่ะแต่คนที่เริ่นฝึกมันมีมากกว่านะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราต้องฝึกที่เรื่องนี้อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะเพราะสติสัมปชัญญานี้เป็นคําที่ง่ายๆเราแล้วก็ฟังกันมาบ่อยแต่พอในภาคปฏิบัติแล้วเราผมขอตัวาอี้ในภาคปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยลงลึกเท่าไหรนะ่เราก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควร แต่เช้านี้ผมจะเชื่อเห็นว่าสติสัมยะเนี่ยมันมันเป็นแม่ของธรรมทั้งหมดจริงๆหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาร่วมกันนะแต่ถ้าหากว่าเราสัมผัสมันไม่ได้รู้สึกว่ามันยากสติเราก็รู้ว่าความระลึกได้สัมยะความรู้ตัวเรารู้กันแค่นี้เ อ, เอไม่เห็นมันยากเลยท่องมาตั้งแต่บวชแล้ แล้วก็เป็นหน้าแรกของหนังสือนักกววาดด้วยใช่ไหมนักกว่าเป็นคู่มือของพระบทใหม่เปิดขึ้นไปหน้าแรกเจออะไรทำสี่ชุดหน้าแรกทำสี่ชุดหน้าแรกนี้พระมหาสมณเจ้าท่านเป็นผู้คัดกองพระธรรมวินัยทั้งหมดมาเป็นตําราเนี่ยท่านได้ทำสี่ชุดนี่ยมาเป็นเป็นหลักเลยนะชุดแรกก็คือ สติสัมปชัญญะเพระหูปการะธรรมธรรมมีปุกรามากสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะพอฝึกสติสัมปชัญญะแล้วมันจะเป็นเกิดทําให้เกิดศีลคือหัวใจของศีลก็คือเฮริโอุตปาทำมันทําให้คุมครองโลกสองอย่างคือเฮริและอุตปะเมื่อเจริญสติสัมปชัญญะอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเกิดเฮริอุตปะ ก, ก่อนเป็นระดับแรก ถ้าเจริญสติสัญญาแล้วฮิริอตุตปาไม่เกิดชื่อว่าการเจริญสติสัญญานั้นไม่สมบูรณ์ฮิริอุดปะคืออายชั่วกลัวบาปแม้ที่รับที่แจ่มแม้ในใจตัวเองก็ไม่กล้าทําบาปนั่นคือเราเจริญสติสัญญาถูกต้องแล้วเรามีฮิริอุดปะอายชั่วกลัวบาปทั้งต่อหน้าและหลังทั้งภายในและภายนอกกายนอกทางในใจด้วยนั้นถือว่าศีลสมบูรณ์ ก็มีสติสัมยาเสมอบุญเมื่อฮิริสัมยฮิริโอตปะเกิดขึ้นเป็นองค์ของศีลเป็นหัวใจของศีลต่อมาก็จะเกิดองค์ของสมาธิก็คือขันติโสรั จ, จะัะขันติคือความอดกลั้นความอดทนเวลาเราปฏิบัติเนี่ยต้องใช้ความอดกลั้นอดทนไปอย่างมากนั่นหมายความว่ามันจะมีพลังสมาธิสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราไม่รู้จักอดทนอดกัน้นต่อความหิวความกระหายความเย็นความหนาวความเจ็บความป่วยความเหนื่อยยากลำบากกทํารทำงานและทนต่อคําพูดการโสเสียดการเพ้อเจอการคําหยาบของคนอื่นได้นั้นถือว่าเรามีสมาธิแล้วเราจะได้ชั้นไหนก็แล้วแต่แต่ว่าจะต้องมีหลักอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นองค์ของสมาธิหัวใจของสมาธิคือขันติโสราจัก แต่ถ้าเราอดทนอดกั้นโดยความไม่มีความเสงี่ยมงามอดทนอดกั้นโดยความน้านิวคิ้วขมดด้วยความกดเก็บกดหรือกดดันอันนั้นไม่ใช่เป็นสมาสมาธิสมาสมาธิต้องอดทนแบบสบายและอดทนแบบยิ้มได้ไม่ใช่อดทนแบบเก็บกดแล้วบีบังคับถ้าบีบบังคับเก็บกดตัวเองอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าสมาธิเราเป็นมิจฉาสมาธินะดนั้น ขันติและโสุรจจจึงเป็นหัวใจของสมาธิเพราะโสดาจจะตรนั้นหมายถึงความสงบเยือกเย็นขันติความอดทนอดกั้นต้านกระแสะในความยากลําบากทั้งหลายทีนี้นี่ทักแล้วทําอันงามให้งาทําอันทําให้งามให้สงบงามก็คือขันติโสดาจแล้วก็ทําชุดที่สี่ชุดที่หนึ่งคือ สติสัญญชุดที่สองคือฮิอุตระาชุดที่สามคือขันติโสราจัชุดที่สี่คือปุภการีและกัตัญญูกัตเวทีนะครับชุดนี้เป็นชุดของปัญญาถ้าเราจเจริญสติสัญญาอย่างถูกต้องแล้วเราจะเกิดกัตัญญูกตเวทีขึ้นมาโดยองค์ธรรมนะครับคนไหนเจริญสติจเจริญกรรมาฐานมานานเท่าไหร่แต่ว่าไม่มี กัตยูกตเวทีก็ชื่อว่าสติสัมยาติที่เราฝึกมานั้นยังไม่ถูกต้องตัวนี้เป็นตัววัดของคนมีปัญญาคือมีหนึ่งเป็นผู้ทําก่อนทําดีก็ทําก่อนเพื่อนทําถูกก็ทําก่อนเพื่อนทําคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ทำก่อนก่อนเพื่อนโดยที่ไม่ต้องการวางผลตอบแทนหรือต้องการมาใครมาตอบแทนบุญคุณแต่ทําให้ก่อนนะที่หายาก บุคคลที่หาได้ยากสองสองประเภทหนึ่งคนที่ทำอะไรให้ให้คนอื่นก่อนนะแต่ไม่ทวงบุญคุณทำให้ก่อนอันนี้หาได้ยากท่านที่ว่าเหมือนพ่อแม่ของเราพ่อแม่ทำให้เราก่อนทุกอย่างให้เลือดให้เนื้อให้ข้าวให้น้ำให้ความรู้ให้ทรัพย์สมบัติให้เงินให้ทองค่าคำสั่งสอนให้สิ่งแวดล้อมให้การศึกษาพ่อแม่เราให้หมดบุคคลที่มี สติสัมปัญญะมีหีริเอลตาปาคันติสุรจะกก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราที่จะทำให้เราก่อนนับเนื่องแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงที่หาได้ยากก็คือทำให้เราก่อนนะอันที่สองเราเองเราจะคนเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่ตรงที่ว่าได้สำนึกถึงบุญคุณของท่านเหล่านั้นหรือไม่ นะถ้าเราได้สำนึกถึงบุญคุณล้วพยายามตอบแทนด้วยวิธีการต่างๆโดยการเชื่อฟังคำสั่งสอนด้วยการปฏิบัติตามด้วยการอุปการะอุปถาดด้วยการช่วยเหลือการงานอะไรต่างๆที่ท่านระบุไว้ในอทิทั้งหกนะครับเพราะนั้นทำสี่ชุดนี้เป็นชุดที่บอกทั้งหมดของเรื่องของพระตรีปฎกนะ ถ้าปฏิบัติไม่ใช่มาจำเท่านั้นนะหมายความปฏิบัติได้ด้วยถ้าปฏิบัติได้ทําในสี่ชุดนี่หมายความปฏิบัติได้จำทพระวินัยทั้งหมดนะในภาคเป็นพุทธิเป็นพฤติกรรมเลยทีเดียวว่าแต่นั้นเราจึงเจริญสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องเมื่อเจริญสติสัมปชัญญะถูกต้องทำสามชุดคือศีลสมาธิปัญญาก็ญญาจะมาเองโดยโดยองค์ธรรมนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเรียนนั่งเรียนเขียนอ่านอะไรมากก็ คนนั้นก็มีคุณธรรมครบตามที่พระไตรปิฎกระบุนะว่าจเจริญ ส, สติสัมปชัญญะอย่างถูกต้องอย่างไรนะเพราะสัมปสติที่ถูกต้องประกอบด้วยองค์สี่ที่เรารู้จักกันดีว่าประกอบด้วยมาแล้วลึกถึงกายของตัวเองเมืลึกถึงเวทนาของตัวเองเมืลึกถึง จิตของตัวเองมาลึกถึงอารมณ์ของตัวเองทั้งสี่อย่างเนี่ยถือว่าเป็นสมาสติลักษณะของการระลึกทําอย่างไรนะลักษณะของการลึกก็คือกายท่านก็บอกว่ากายเยกายานุปัสสิวิหะรติอาตาปีสัมปชัโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนาสังให้เห็นกายทั้งภายในและภายนอก กายเยกายานุปัสสันกายภายในมันคือกายตัวเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นกายภายในกายภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นกายภายนอกเมื่อมากระทบกันแล้วเราพิจารณาว่ามันเป็นอะไรเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เป็นเดาถ้ามีสองอัยตนะมากระทบ ทั้งกายไปนอกกายไปในมากระทบกันแล้วเราไปสัมคันว่ามันเป็นเราเขาว่าเราเขาด่าเราเขาตีเราเขาทาหนี้เราเขาดินทาเราอย่างนี้เรียกว่าเราประพฤติระ ล, ลึกต่อกายในทางไม่ถูกแล้วในทางผิดน ะ, ะพระเพราะไปเห็นรูปเป็นเรานามเป็นเราไม่ได้เห็นรูปเป็นรูปกับนามเป็นเพียงสักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลักษณะระ ล, ลึกอย่างนี้เรียกว่าเห็นรูปนามเป็นตรลักษ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนสติม่อย่างถูกต้องเราก็เห็นรูปนามที่กระทบกันเป็นเราวันยังคำ่ำนะให้ลึอกอย่างนี้โดยยอ่อนะครับเวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาภายนอกเกิดจากรูปเสียงเกียรสัมผัสอารมณ์เวทนาภายในเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสองอย่างมากระทบกันเกิดความรู้สึกสามประการคือความพอใจไม่พอใจ และความไม่สนใจสามอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะรู้สึกสามอย่างนี้พอใจไม่พอใจและไม่สนใจเมื่อเกิดการ ก, กระทบเช่นเราจะเห็นคนบางคนเวลายินีได้ฟังอยู่นั่งง่วงนั่งหลับนั่งซื้อบือ้อยางเาเรียกว่าไม่สนใจนี่เขาเรียกว่าไม่เห็นเวทนาทั้งภายนอกและภายในสติก็จะไม่เกิดอีกเหมือนกันแต่ขณะ น, นั้นคืออวิชาก็เกิด แเราเลยจึงไม่แปลกใจว่าเคนที่เขาสนใจธรรมะมานานปฏิบัติธรรมะมานานทำไมไม่เปลี่ยนแปลง mm hmm. ก็เพราะเขาปฏิบัติผิดมาตลอดนะทุกสิ่งที่มากระทบแทนที่จะอะเป็นรู้สึกพอใจก็รู้สึกเออนี่ความพอใจเกิดแล้วอเห็นว่าเอความพอใจก็เป็นทย่างทุกข์ของหน้าตาพอมีการกระทบเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดแล้วแทนที่เราจะรู้สึกไม่พอใจ เราเห็นวความไม่พอใจนี่เป็นอนิจจังทุกข์งนาตตาไม่ใช่เป็นเราการกระทบเกิดขึ้นเรารู้สึกเฉยๆไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายอะไรเข้าไปใส่ใจเฉยๆเข้าไปใส่ใจเข้าไปพิจารณาเฉยๆโดยเห็นว่าอ๋อนี่เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นของอนิจจังทุกข์อนตตาไม่ใช่เรา ในลักษณะนี้ก็จะเป็นเห็นเวทนาในเวทนาที่ถูกต้องเห็นจิตในจิตที่ถูกต้องก็คือเห็นจิตภายนอกเห็นจิตภายในเห็นจิตภายในก็คือเห็นรูปเสียงกลิ่นอ่ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองเห็นจิตภายนอกคือจิตที่ส่งออกไปทางรูปเสียงจิตรสสัมผัสอารมณ์เป็นจิตภายนอกเมื่อกระทบกันแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกสามประการครู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็ ไม่รู้นะชอบไม่ชอบเราก็ไม่รู้ถ้าหาก็รู้สึกชอบในสิ่งที่มากระทบเราก็เรียกว่าเราก็ไม่เห็นเป็นสมาสติเป็นมิชาสติเมื่อกระทบแล้วรู้สึกไม่ชอบก็เป็นมิจฉาสติเมื่อกระทบแล้วรู้สึกไม่ใส่ใจรุ่งหลงในสิ่งนั้นก็เป็นมิจฉาสติ แต่ให้รู้ว่าทั้งชอบไม่ชอบแล้วก็เฉยเฉยนั้นเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปตามกฎของตรรักเราก็รู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบลักษณะนี้เป็นสมาสตินะทั้งฝ่ายอารมณ์ก็เหมือนอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในอารมณ์ภายในได้แก่ตาหูที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ภายนอกที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เมื่อกระทบกันแล้ว ก็ให้เกิดอารมณ์ดีไม่ดีแล้วก็ไม่แน่นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตามรู้ไม่ดีดีแล้วก็ไปเข้าไปในความรู้สึกดีอันนั้นอารมณ์ไม่ดีเราก็เข้าไปเป็นอารมณ์ไม่ดีอันนั้นแล้วก็อารมณ์ยังไม่แน่แล้วก็พะวงสงสัยคุณนคิดไม่แน่ใจในสิ่งนั้นที่เราเข้าไปในอารมณ์ก็จะเป็นบิชายสติ แต่พอเราฝึกสติสัมยาพะไปแล้วเราเห็นว่าตัวดีไม่ดีแล้วก็ไม่แน่เนี่ยมันก็คือสภาพธรรมที่เป็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาไม่ใช่เราเราก็ตามรู้มันไปเลยการตามรู้ในทั้งสี่สถานนี้อย่างถูกต้องเรียกว่าสมาสตินะแต่ถ้าว่าตามรู้ทั้งสิบสถานนี้ไม่ถูกต้องก็คือเรียกเป็นมิจฉาสติตพราบางครั้งแล้วก็ สบายบางครั้งก็ไม่สบายบางครั้งก็ไม่แน่บางครั้งแล้วก็พึงดีดีบางครั้งก็ไม่ดีดีบางครั้งก็เฉยเฉยบางครั้งก็ชอบใจบางครั้งไม่ชอบใจบางครั้งก็อไม่สนใจบางครั้งก็ดีบางครั้งก็เรียกว่าดีบางครั้งไม่ดีบางครั้งก็อ่าไม่แน่ใจนะก็จะ วนกันไปอยู่นี้มากบ้างน้อยบ้างตอาอตามอาตาัยส่วนของสัมมาสติที่เราฝึกว่าขณะที่เราฝึกเนี่ยเราทำถูกต้องแค่ไหนถ้าทำถูกต้องเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งสี่สถานนี้ได้ถูกต้องแต่ทำสติไปนิดหน่อยก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นทำสตินิดหน่อยก็ไปคิดถึงเรื่องนี้มาผมเข้าไปดูพวกเราจะสถานที่บางคนนี่ที่เกี้ยงแล้วเรื่องอีก เรียบแล้วเรียบอีกจัดอยู่ยงั้นทั้งวันก็ไม่ทําอะไรอันนี้เขเรียกว่าเข้าไปในสิ่งนั้นละ่ะเป็นมิจฉาสติตลอดพอเราไปเดินแล้วกเกิดชอบเบ่งชอบเกิดราคะโทสะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยหลวงตาแบนหายไปไหนอ่าในห น, นึ่งไปตามมาหนึ่ที่ว่าหลวงตาแบนไม่สบายเราจะได้พาลงพยาบาลได้ถ้ามาไปอ่า เราต้องดูแลเพื่อนเราด้วยใครมาไม่มาเผื่อว่าไปเกิดงูฉกตายไปถูกในถูกน้ําถูกอสรพิษไม่ได้ตั้งใจจะไม่มาแต่ว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเราก็ต้องดูแลเพื่อนด้วยนี่คืเราเกิดสมาสติขึ้นมาถ้าเป็นวิชาสติเออ ตัวใครตัวมันช่างหัวมันแล้วผี่ชอบเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็คิดไปของเราไปอีกแบบหนึง่งเหมือน่ะเพราะในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องโดยโดยเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งหมดอนะถ้าหากว่าเราใช้อย่างถูกต้องแล้วดูแลเอาใจใส่กันนะเรียกว่าทําก่อนนะแล้วเป็นผู้ดูแลเพื่อนก่อนแล้วเพื่อนก็จะดูแลเราหรือไม่ไม่สำคัญแต่ว่าเราได้ทําหน้าที่เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วผู้มีปัญญามาเห็นความจําเป็นอะไรก็ทําสิ่งนั้นไปก่อนนะ ตันนั้นเองทำสี่ชุดเรื่องของส ม, มาสติช่วงเช้ามีเวลาแค่นี้นะครหมดเวลาละพรุ่งนี้จะช่วงเชา้าช่วงเย็นจะปต่อด้วยสัมปชัญญะสี่แล้วพรุ่งนี้ทั้งวันท่านก็จะวันนี้ทั้งวันท่านก็จะไปปฏิบัติเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ได้ตกผลึกเป็นออกมาเป็นยางไรท่านก็บันทึกเป็น เรื่องที่ท่านเข้าใจถือว่าเป็นการเรียนทั้งปริยัตปฏิบัตินะครับงานนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องมาปฏิบัติอย่างเดียวพอเราปฏิบัติแล้วหลายปีผ่านมาแล้วไม่มีอะไรก้าวหน้าก้าวหลังแสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดอยู่ปีนี้ผมพยายามให้ให้ดีที่สุดละนะมีทั้งปริยัตปฏิบัติพร้อมกันไปด้วยใ น, นช่วงเช้านี้พูดถึงเรื่องของสมาสติทั้งสี่สถานนี้ว่าทั้งภายนอกภายในกระทบกันแล้วเราเห็นเป็นไตรลักษณ์หรือเห็นเป็นไตรสิกขา แต่เห็นเป็นไใจหรือเป็นอกุศสมูลถ้าเห็นเป็นไตรลักษก็เกิดไตรสิกขาถ้าไม่เห็นตามเป็นใจรักษ์ก็จะเป็นอกุศลมูลสามคือเป็นราค่าโทสามโมหะไปในที่สุดเหมือนกันโย่ไตรไใจอกุศลก็ได้นะแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นนิกอย่างทุกขังทุตตาได้หมดมันก็เป็นไตรสิกขาคือเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปได้ แต่ถ้าเราสติสัมยะเราไม่สมบูรณ์เมื่อได้เห็นเป็นเรื่องของการกระทบว่าเป็นอ น, นิจจังโทขนานตาเห็นว่าเป็นเราเรื่อยไปเราก็ถูกเราผิดเราดีเราชั่วเราชอบเราไม่ชอบเราหงุดหงิดเราฟุ้งซ่านเราโมโหเราลังเลตรงนี้ก็จะเป็นตัวอกุศลมูลไปซึ่งเรื่องนี้เราช่วยกันไม่ได้ครับนอกจากที่เราจะช่วยเหลือตัวเองพิจารณาตัวเองให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับ นนในช่วงเช้านี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงละฆังแล้วใช่ไหมครับก็เราไปทําหน้าที่ของเราแล้วก็ลองประคับประคองดูว่าเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกายเวทนาจิตธรรมเป็นไตรลักษณ์แล้วมีสติสัมปชัญญะเข้าไปบริหารไตรลักษณ์ให้มันเกิดเป็นไตรสิกขาได้อย่างไรลองไปทําดูวันนี้นะครับ ไม่ยากไม่ซับซ้อนเกินไปแต่คนไหนทำแล้วเกิดลังเลสงสั ย, ยใช่หรือเปล่านี่ก็ถามผมได้ตลอดเวลาครับแล้วกลับาพร้อมกัน